สวิปากติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุตุปัจจัย90สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยเหตุตุปั จ, จได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุตุปั จ, จในปฏิตนที่ขณะ เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตตมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิตนที่ขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กาตัตตารูปโดยเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและกาลตารูปโดยเหตุปัจจัย91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 ให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยและแก่เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันนาจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สามปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารามานปัจจัย9ก้าอง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 ราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิบากด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุกเพนิวาสานุสติญาณและอนาคตังสยานโดยอารามาณะปัจจัย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 ขันธ์ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสียานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย93สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสด แล้วพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณากุศลที่สังสมไม่ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระเสขะพิจารณาโคตรพูพิจารณาโวทานออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณากิเลส ท, ที่ละได้แล้วพิจารณากิเลส ท, ที่ขมได้แล้วรู้กิเลส ท, ที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นปราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยเจโตปริยายานอากาสาัญจายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะกุศลโดยอารามนะปัจจัย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 โดยอารามณะปัจจัยได้แก่ บ, บุคคลเห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบควยินดีเพลิดเพลินขันนั้นปราคาจึงเกิดขึ้นละโทมณัตจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับไปแล้วจิตตุปปาบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมอากาสานัญญาตนะกุศล เป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนาวิบากโดยอารามณะปัจจัยและอากินจัญญายตนาขุศนเป็นปัจจัยแกเนวัสัญญานาสัญญายตนาวิบากโดยอารามณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุใหเกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุใหเกิดวิบากโดยอารามณะปัจจัยได้แก่พระอรหัน ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณากุศลที่เคยสังสมไม่ดีแล้วพิจารณากิเลส ท, ที่ละได้แล้วรู้กิเลส ท, ที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิบากด้วยเจโตปริยายาน อากาสานัญจายตนะขุศนเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะกิริยาโดยอารามานปัจจัยอากินจัญญายตนะขุศนเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาโดยอ า, ารามานปัจจัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานสุสติญาณยถากรรมูปขยานอนาคตังสยานและ อาวัชนจิตโดยอารามานะปัจจัยเจ็ดสิบสสภาวธรรมที่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารามานะปัจจัยได้แก่พระอรหันต์พิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่อวัชนจิตโดยอารัมานะปัจจัย พระอรหันต์เห็นแจ้งจักสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตฐานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะอทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาต รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิต ท, ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะกิริยาเป็นปัจจัยแกว่วิญญาณัญจายตนะกิริยาโดยอารามณปัจจัยอากินจัญญายตนะกิริยาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณสัญญายตนะกิริยาโดยอารามณปัจจัย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 โดยอารามณปัจจัยพระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งจักสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเปลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมณ์จึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมเห็นแจ้งโสตคานะ คิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสปพภะอธัยวัตถุขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นปราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่ อ, อกุศลและอกุศลดับแล้ว จิตตุปบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตาารม์รูปายะตะนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญ ญ, ญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารามานปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารามานปัจจัยได้แก่พระเสขะพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู โธทาและมักโดยอารามณปัจจัยพระเสกขะหรือปุตุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะละขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา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 โดยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจั ย, จจย95สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่สะภาประทามที่เป็นเหตุให้เกิดพิบากโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่พระเสขะพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันที่เป็นวิบากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาประทามที่เป็นวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธปิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาธิปติอารมนาธิปติได้แก่พระอระหันต์พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสาชาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัย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 โดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและชาชาธิปติอารัมนาารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานจะมาทานศีลรักษาโบสถ์สดแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากชาแล้วพิจารณาชาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พระเสกขาพิจารณาโคตรตรพูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคฆาจึงเกิดขึ้นทิ่ติจึงเกิดขึ้นสหชาติ อธิปปีได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอิทธิพโดย <c oughs> โดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปฏิปัจัยมีสองอย่างคือ อารามนาทิปติและสหชาทิปติอารามนาทิปติได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นสหชาตาทิปฏติได้แก่อธิปริธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ติดตะสมุทฐานารูปโดยอธิปปติปัจจัย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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาทิปติและสาชาธิปติอารัมมนาทิปติได้แก่พระอระหันต์พิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสาชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นวิบากก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยธิปติปัจจัย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 ได้แก่พระเสขาพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรตะพูโวทานและมัคโดยอธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสู่นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินโสตะละขันที่ ไม่เป็นวิบากได้ไม่เป็นเหตุให SI ้เกิดวิบากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินโสตเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอานันตระปัจจัยเกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอานันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเกิดก่อน เกิก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรัปัจจัยปัญจวิญญาณเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรัปัจจัยมโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตารัปปจัย ได้แก่ผวังคจิตเป็นปัจจ um ัยแก่อาวัชนัจิตโดยอนันตารัปัจจัยมโนธาตุเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตารัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตารัปปจัยได้แก่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 ได้แก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะมักเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่ผลลัสมาบัติเนวสัญญาณาสัญญายตนากุศลของผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบาก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 เป็นปัจจัยแก่วิญญาณห้าโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่วุฒธธนะอนุโลมของพระอาหารหันต์เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายาตนกคิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอนันตรัปัจัยสมนันตรปปจัย98สสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยสมนันตรปัจจัย ในมูลเรทปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัย99สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยสหาหะชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากละมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสหาหชาตปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากละมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับปลาวัตัญญสัตตพรมมหาภูตรูปหนึ่งละ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 ขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสหัชาติปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นวิบากและมหาภูตารูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและในปริสตุท่ฆณะ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 แต่แก่ในปฏิสนธิขณะหัตยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากละสภาวธรรมที่เป็นวิบากและไม่ที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากละในปฏิตนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหัตยวัตถุละมีเจดวาระแห่งเล็บนิตยปัจจัยหนึ่งอ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 จะขายัตนะเป็นปัจจ no ัยแก่จักรวิญญาณโดยนิสยปัจจัยละกายายัตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหัตถวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากละในปฏิสนธิขณะหัตถาวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากละสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยนิสยปัจจัย ได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากละสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยนิจยัปัจจัยได้แกข่ขันหนึ่งที่ทารกคได้วยจักรวิญญาณและจักรย้ายตนะละขันหนึ่งที่ทารกคดด้วยกายวิญญาณและกายายตนะละ ขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหัทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันสามในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหัายวัตุละสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยนิสยปัจัยละขันที่เป็นวิบากและมาหาภูตรูปละน่งเล็บยอ่อ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 โดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปในวงเล็บมี13บสาอาระอุปนิสัยปัจจัย1 0ึ่สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากรูปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกัตูปนิสัยะละ ปัจตูปนิสติยาได้แก่สุขทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลสมาบัติโดยปนิสติยาปัจจัยทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลสมาบัติโดยปนิสติยาปัจจัยผลสมาบัติเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปนิสติยาปัจจัยจะพาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก โดยปณิสติยปัจจัยมี2 อ, อย่างคืออารามานูปณิสติยาและปกาูปณิสติยาและปกาูปณิสติยะได้แก่บุคคลทำสุขทางกายแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลและทำลายสง์ทำทุกข์ทางกายแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลและทำลายสง์สุขทางกายทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและความปรารถนาโดยปณิสติยาปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปณิสติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปณิสติยาอนันตรูปณิสติยาและปะกตูปณิสติยาละปะกตูปณิสติยาได้แก่พระอรหันตธรรมสุขทางกายแล้วทำกิริยาตมาบัตที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากิริยาตมาบัตที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำทุกข์ทางกายแล้วทำกริยาจะมาบัตที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากริยาจะมาบัตที่เกิดขึ้นแล้วละหนึสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดปณิสตยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปณิสติยา อนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลทำศรัท ธ, ธาแล้วให้ทานและมีมานะถือทิฏฐิทำศีลจุตตะจาคะปัญญาจึงให้ทานละถือทิฏฐิอาศัยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาแล้วจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นข่าสัต ละทำลายสงและศรัท ธ, ธาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาศีลละความปรารถนาโดยปณิสติยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนาละปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยะฌานละ อากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายาตนะโดปณิสติยปัจจัยละบริกรรมปัทรรมกเป็นปัจจัยแก่ปัธมะละบริกรรมจตุธรรมะเป็นปัจจัยแก่จตุธรรมกละปัทธรรมะเป็นปัจจัยแก่ทุติยมักละทุติยมักเป็นปัจจัยแก่ตติยมักตติยมักเป็นปัจจัยแก่จตุธรรมกโดยปณิสติยปัจจัยพระเสขะ ทำมักจึงทำกุศลธรรมาบัตรที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นละมักของพระเสกเป็นปัจจัยแก่อธธัตตปฏิสัมพิธาละความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยปณิสียปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตละมิจฉาทิฐิดโดยปณิสียปัจจัยละมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฐิละพยาบาทละมาตุ ฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยปณิสตยปัจจัยละเป็นปัจจัยแกนิตยมิจฉาทิฏฐิโดยปณิสตยปัจจัยและนิตยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแกนิยตมิจฉาทิฏฐิโดยปณิสตยปัจจัยละนิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิละสังฆเพศกรรมโดยปณิสตยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยปณิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปณิสติยาและปะกจูปณิสติยาละปะกจูปณิสติยาได้แก่บุคคลทำศรัทธาและทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรอนสเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลละทำความปรารถนาและวทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรอนละ ศรัทธาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกข์ทางกายและผลสมาบัติโดยปณิสติยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยปณิสติยปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยปณิสติยปัจจัย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 มรรของพระอระหันต์เป็นปัจจัยแก่อัตตปฏิสัมพิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและม่ใช่ฐานะโดยปณิเตยปัจจัยหนึ่งสสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปณิเตยปัจจัยมีสมอย่างคืออารัมมณูปณิเตย อนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่พระอรหันตธรรมอุตตุโภชนะเสนาจนะและ้วทำกริยาจมาบัตที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากริยาตมาบัตที่เกิดขึ้นแล้วละสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากดูปนิสติยะปัจจัยมีสมอย่างคืออารามณูปนิสติยะ อนันตรูปนิสสยาและปกตูปนิสสยาละปกตูปนิสสยาได้กแก่อุตตโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลสมาบัติโดยปนิสสยาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปนิสสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสสยา อนันตรูปนิสัยและปกจูปบันนิสยและปกจูปบันนิสัยได้แก่บุคคลทำอุตุแล้วจึงให้ทานและทำลายสงฆ์รำโพชนะเสนาสนะแล้วจึงให้ทานละทำลายสงฆ์อุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละความปรารถนาโดยปัจจุิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย หนหึสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมัมมณปุเรชาตะได้แก่พระอรหันต์เห็นแจ้งจกสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละกายรูป ละโพธะพระหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเห็นรูปด้วยทิพยจักขุละฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุละวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปุเรชาติปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณพุเรชาตะได้แก่พระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสูนั้น ราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนั์จึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปาตที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมเห็นแจ้งโสตะและหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและจิตตุปาตที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมปรูปายตนะเป็นจักปัจจัยแก่จกักขวิญญาโดย ปุเรชาตปัจจัยและโพธพาญาณเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและวัตถุปเรชาตะได้แก่จักขายาะเป็นปัจจัยแก่จักขคูวิญญาณและกายาตาะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและอาถัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมามานปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมามานปุเรชาตะได้แก่พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุละเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสู่นั้นราค่าจึงเกิดขึ้นละโทมานัตจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตและ และหะไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนั์จึงเกิดขึ้นละเห็นรูปด้วยทิพจักขุละฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุละวัตถุปุเรชาตะได้แก่หะไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยหนึ่งร้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 เกิดหลังละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรตะระูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรตระูเป็นปัจจัยแก่มรักโวทานเป็นปัจจัยแก่มรักโดยอาเสวนะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอาเสวณะปัจจัยได้แก่ขัน ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยละโดยอาเสวนาปัจจัยละกรรมมปัจจัยหนึสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยกรรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์โดยกรรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาเป็นวิบากละ สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจ yes ัยแก่จิตตะทมุฐานารูปโดยกรรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กตัตารูปและเจตนาเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยกรรมมปัจจัย สภาวธรรมที um ja es, ่เป็นว no ิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สามยุทธขันธ์และจิตตธรมุฐานารูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิตนที่ขณะเจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สามยุทธขันธ์และกตาตารูปโดยกรรมปัจจัย สภาวาธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก th th ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรร ม, มปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรยรมปัจจัยสภาวาธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแกยย่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยกรร ม, มปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบาก โดยกรรมมาปัจจัยสภาธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรรมมาปัจจัยมีสองอย่างได้แก่สหชาตะและนานาคณิกะชาชาตะได้แก่เจตนาเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุธฐานารูปโดยกรรมมปัจจัย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 ได้แก่เจตานาที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขันและจิตตัตมุถาน ร, รูปโดยกา ร, รมปัจจัยวิปากปัจจัยหนึ่งรสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ท, นนที่เป็นวิบากโดยวิบากวิปากปัปจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ละสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยวิปากปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุละ สภาประทามที่เป็นมิบากเป็นปัจจัยแก่สภาประทามที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นมิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกัตตารูปโดยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัย หนึ110สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันมีสาวาระในวงเล็บพึงธทำแม่ปฏิสนธิให้เป็นสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากโดยอาหารและปัจจัยมีสามวาระ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 แก่อินทรีย์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สามปยุติฐานและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยรูปจีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กาตาตารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก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 ได้แก่จักรขุนสี่ได้จักรูวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สารคตด้วยจักรวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยกายินรี่และกายวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สารคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยชานะปัจจัยหนึสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยชานะปัจจัยมีสาวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุได <im> ้เกิดว <im> <im> ิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากโดยชาณปัจจัยมีสามาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากโดยชาณปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมยุตตะขันนจิตตะมุทานรูป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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยมรคบปัจจัยได้แก่องมรคที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตกขันและจิตตับสมุทฐานารูปโดยมรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัย114 สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยสัมปยุติแตปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปจัจจัยแก่ขันสามละขันสองเป็นปัจจัยกแก่ขันสองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสัมปยุติแตปัจจัย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 ปัจฉาชาตะตาหาชาตาได้าาาแก่ขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตะมุทฐานารูปโดยวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยวิปยุตตาปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากโดยวิปยุตตาปัจจัยมีสอย่างคือสหชาตาะและปัจฉาชาตะสหชาตตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตธมุฐานารูปโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปยุตตาปัจจัยมีสอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยวิปยุตตาปัจจัย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 สหชาตะและปุเรชาตะสหชาติาตาตได้แก่ในปฏิตนทิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักรายจตนะเป็นปัจจัยแ ก, จก่จักรวิญญาณและกายายจตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยวิปยุตตปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุรปรเรชาตะได้แก่หทยัยวัตถุเป็นปจัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปยุตรรายตรปราปัจจัยอธิปัจจัยหนึ่งร้สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอธิปจัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่ง ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามละในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามละสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาติได้แก่ขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะ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 ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะละหนึสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวัรน์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัย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 มีหอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหาชาตาได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งละ มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทายารูปโดยอธิ ป, ปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีวัตุเป็นสมุทฐานสำหรับเปล่าสัญญาจตุพรหมมหาภูตรูปหนึ่งละปุเรชาตะได้แก่พระอราหันต์เห็นแจ้งจากสุตรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเห็นแจ้งโสตะละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละ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 รูปะชีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กัตต า, ตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือศาชาตาและปุเรชาตะสหชาตาได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่พระเสขะหรือปุุชน เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาว่าไม่เที่ยงและยินดีเพราะประรอบความยินดีเพลิดเพลินจากสู่นั้นราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนั์จึงเกิดขึ้นและเมื่ อ, อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปปาบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตาทารมและเห็นแจ้งโสตและหทัยวัตถุละจิตตุปปาบาท ที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตาธรรมและรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักวิญญาณและโพธภายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหาไยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัย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 โทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นรูปด้วยทิประจักขุและอทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัย118งสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัยมี2 อ, อย่างคือสาชาตะและปุเรชาตะ สาชาตาได้แก่ขันหนึ่งที่สารคตด้วยจกักูวิญญาณและจักขายัตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสามละที่ถารคตด้วยกายวิญญาณละขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามละในปฏิตนที่ขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามละ สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจชาชาตะอาหาระและอินทรียาสาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาปุตตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากและมหาภูตารูปเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นวิบากและกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้และขันที่เป็นวิบากซึ่งเกิดภายหลังและรูปชีวิตินทร์สีเป็นปัจจัยแ ก, ะกะ่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบาก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 เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือศาสชาตะปัจชชาตะอาหาระและอินทริยะศาสชาตาได้แก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาปูต ร, รูปเป็นปัจจัยแก่ติดจตสมุฐานารูปโดยอธิปัจจัยปัชชาตาได้แก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและกบลิงการาหัน เป็นปัจจัยแก่กายนี้เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเกิดภายหลังและรูปปัจชีวิตินตีเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิกตปัจจัยและอวิกตปัจจัย119สภาวธรรมที่เป็นวิบากในมงเล็บนัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัยเหมือนกับอนันตระปัจจัยอวิคตปัจจัยเหมือนกับ อธิปัจจัย